ว่าคนที่กรุงเทพแล้วก็ตามเมืองใหญ่ๆแ ห, ห่กันไปทำบุญสะระเคราะห์กันเพราะว่าได้ยินว่าลาหูกำลังเปลี่ยนราศีลาหูที่มันอมจันนี่แหละมันอมจันไปแล้วเมื่อ สองศีลที่แล้วเมื่อสองวันนี้ว่ามันเปลี่ยนราศีเปลี่ยนราศีก็เลยตื่นตัวกันแห่กันไปทําบุญแห่ไปสะดอเคราะห์ตามวัดที่เขามีพิธีหรือจัดหาพิธีแบบนี้วัดไหนที่จัดพิธีสะดอกเคราะห์ รับมือลาหูเปลี่ยนราศีนี้ก็มีคนแหกันไปทำบุญกันใหญ่ก็ได้เงินกันมากมายล้วคนเรานี่สนใจตื่นตัวเรื่องลาหูเปลี่ยนราศีแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเวลาใจของเรานี่มันเปลี่ยนภูมิเราไปสนใจเวลาลาหูมันอมจันทร์ แต่ว่าไม่สนใจเวลากิเลสมันอมจิตหรือครอบจิตเอาไว้ราหูจะเปลี่ยนราศีกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเวลาจิตของเรานี่มันเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนภูมินี่หมายความว่ายังไงเช่นเปลี่ยนไปสู่โมหะภูมิเปลี่ยนไปสู่โทสะภูมิ เปลี่ยนไปสู่โลภภูมิโลภภูมินี่ก็ก็เปลี่ยนมันกับเป็นก็คือความโลภนั่นเองเปรี่ยนเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเปตภูมิเปตภูมิก็คือว่าเป็นเปรตเวลาจิตของเราเกิดความโลภมันก็เท่ากับว่าเคลื่อนย้ายไปเป็นเปรตเพราะเปรตนี่มันอยากไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อน เปตพุ่มคือภูมิแห่งเปรตเวลาเจาของเรามันเคลื่อนไปสู่ความความหลงความโง่ก็เหมือนกับเปรียบเข้ากับเข้าไปสู่ติรฉานภูมมติรฉานภู่มก็คือภูมิแห่งเดรฉานเดรฉานนี่มันหลงในเวลาเจาของเรามันโกรธ พยบาบาทดุดร้ายหรือว่าเกิดโทสะขึ้นมาก็คือเข้าไปสู่อสุรภูมิอสูรเวลาจิตของเรามันทุกข์เหมือนกับมีไฟมาเผาขับแค้นใจก็เหมือนกับว่าเข้าสู่นร ก, กภูมิคือภูมิแห่งนรกเวลาจิตของเราสบายเยน็นสงบ หรวพพนก็เหมือนกับเข้าสู่เทวภูมิภูมิแห่งเทวดาอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเราไปสนใจเรื่องนอกตัวเยอะลาหูจะเปลี่ยนลาศีเมื่อไรแต่ใจของเรามันเปลี่ยนพกเปลี่ยนภูมิวันละกี่ครั้งไม่เคยสนใจไม่เคยคิดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นหรือไม่คิดที่จะป้องกันมัวแต่ไปสันตอเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดเคราะ์เกิดกรรมหรือเพื่อที่จะได้รับโชคเต็มๆอย่างตอนนี้เขาว่าราหูเปลี่ยนราศีนี่จะเป็นราหูจะนําโชคมาให้ก็ไปทําบุญกันเพื่อจะได้รับโชคเต็มๆแต่ว่า เวลาใจของตัวเองนะมันเข้าสู่เปตภูมิมันเข้าสู่นะติละฉานภูมิไม่รู้ตัวและสุขทุกข์ของคนเราก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ว่าโชคชะตาราศีมันเป็นยังไงนะสุขทุกข์ของคนเราจริงๆมันก็อยู่ตรงจิตของเรานี่แหละว่ามันเข้าสู่ภูมิไหนพบไหนถ้ามันสู่ เปตภูมิถึงแม้จะมีเงินเยอะแยะถึงแม้ว่าจะถูกหวยถึงแม้จะได้โชคได้รถยนต์แต่ถ้าจิตมันเข้าสู่เปตภูมิแล้วไม่มีวันเป็นสุขได้เพราะมันมีความอยากเปยนี่มันอยากอยากก็เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราั้นถึงแม้จะได้โชคถูกหวยได้รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าจิตยังมีความอยากอยู่ มันก็ไม่มีความสุขหรือได้รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าจิตนั้นมีความระแวงระแวงพราความหลงหวงว่าจะมีคนมาเอาเงินเราไปจะมีคนมาแย่งชิงเงินเราไปจะมีคนมาขอเงินเรามันก็ไม่มีความสุขมีเงินเท่าไหร่แต่ถ้าจิตของเราไปสู่ภูมิที่มันเป็น ภูมิที่ต่ำํำเลือกทุกคติภูมิเป็นทุกคติจิตของเราไม่ต้องรอให้ตายก่อนที่จะไปสู่ทุคตินะในขณะที่ยังเป็นเป็นมีลมหายใจนี่แหละถ้ามันเข้าไปสู่ทุคติเมื่อไหร่จะเป็นเปตภูมิติรชานาภูมิอสุรภูมิก็ตามมันก็ทุกเมื่อ น, นั้นแต่แม้จะเข้าสู่เทวภูมิ คือสบายมีความสุขก็ประมาทไม่ได้เพราะว่ามันมีวันหมดเทวภูมินี่ก็ประมาทเหมือนกันอยู่ในภพภูมิแห่งเทวดานี่ก็มีความประมาทเพราะมันเพลินในเพลินในความสุขเพลินในความสุขมากๆกิเลส ก, ก็จะเลยงอกงามความประมาทก็ครอบงําจิตความประมาทก็เป็นทางแห่งความตายมันไม่มีวันที่จะ ได้เจริญก้าวหน้าได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีแต่จะต่ําลงนะเพราะฉะนั้นเทวภูมินี่ก็ต้องระมัดระวังให้เราหัมาสนใจเรื่องจิตใจของเราว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันถูกกิเลสครอบถูกลาหูคือกิเลสเข้ามาอมจิตของเราหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างมันขึ้นหรือลงนะ ตรงนี้สำคัญที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นนอกตัวจะดีหรือร้ายมันก็ไม่สำคัญทากับว่าใจของเรานี่มันดีหรือร้ายมันขึ้นหรือลงมันตกหรือต่ำมันตกต่ำหรือมันขึ้นสูงอย่างที่เคยเคยพูดไว้หลายครั้งว่าอะไรแม้จะมีโชคมีลาบนะแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่พร้อม ใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญาไม่รู้จักพึ่งความเพียรของตัวเองก็ไม่มีทางจัดเจริญได้มีแต่จะทุกข์เหมือนกับคนซึ่งเกิดมาก็มีทรัพสมบัติมากมายเพราะเกิดในบ้านหรือตระกูลของคนรวยลูกคนรวยนี่ที่เสียคนมาก็เยอะแล้วทั้งทั้งที่เกิดอยู่ บนกองเงินกองทองอยากจะได้อะไรก็มีคนให้อยากจะเรียนที่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่เพราะมันอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองนี่แหละชีวิตถึงไม่เจริญเพราะว่าประมาทเพราะว่าอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นไม่รู้จะทามาหากินไปทําไมไม่รู้จะขยันไปทําไมก็มันมีเงินมันมีเงินอยู่รอบตัวมีทองอยู่รอบตัวเนั่นลูกคนรวยนี่ก็ พอโตขึ้นพอพ่อแม่ตายก็ลําบากก็เยอะแต่ลูกคนจนเกิดมาในตระกูลที่ลําบากเกิดมาในบ้านในครอบครัวที่ลําบากแต่ว่าโตขึ้นก็กับเจริญก้าวหน้าก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาฝึกฝนเขามีความเพียรเขามีความขยันเขามีความอดทนไอ้ความยากลาบากนี่แหละที่ทําให้เขาอดทน เพรนรอบตัวเราจะมีเงินจะร่ำรวยแค่ไหนไม่สำคัญแต่ก็ว่าในใจเรามันมีความเพียรมีความขยันมีความสติมีสติมีปัญญาหรือเปล่าเรื่องโชคแล้วก็เรื่องเคราะกรรมก็เหมือนกั น, นจะมีโชคแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่พร้อมใจมันไม่มีสติไม่มีขยันหมั่นเพียรเป็นเจ้าเลือน ไม่มีวิริยะไม่มีสมาธิก็เจริญไม่ได้แต่คนที่เขาลำบากนะอาจจะเรียกว่าเจอข้อกรรมมาทั้งชีวิตแต่ว่าใจเขาพร้อมใจเขามีสติเขาก็มีความสุขได้จนะที่เคยเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเกิดมาก็ลำบากเรียกว่าลำบากมาตั้งแต่เกิดเกิดจะตายก็หลายครั้งเพราะจมน้ํา เดือดจะตายตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นมาแม่ก็ตายพ่อก็ทุกข์จนเป็นโรคประสาทจนเป็นโรคหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลเสียพ่อเสียแม่ตั้งแต่เล็กต้องช่วยดูแลครอบครัวเพราะเป็นพี่สาวคนโตแต่งงานมาลูกก็เป็นปัญญาอ่อนเพราะหมอนี่ทำคลอดไม่ดีต่อมา ผัวก็อย่าไม่กี่ปีต่อมาเข้าโรงพยาบาลไปผ่ามดลูกหมอก็ผ่าผิดข้างก็เลยต้องผ่าใหม่หรือว่าเลยก็เยเสียไปเลยในชีวิตก็เลยเจ็บป่วยมาตลอดแล้วไปทำอะไรก็ตามมักจะประสบอุบัติเหตุถึงขั้นตับแตกก็มีถึงขั้นกระดูกเกิดจะเป็นอัมพาตก็มี มีอุบัติเหตุบ่อยมากรถมาชนข้างหน้าบ้างรถมาชนข้างหลังบ้างกระดูกอ่อนเนี่ยเพราะว่าไม่มีเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่ดีเนื่องจากตัดมดลูกกระดูกอ่อนเจออะไรมาก็แทกก็หักรถมาชนก็กระดูกขอก็เคลื่อนเข้าโรงพยาบาลเกิดจะเป็นอัมพาตาแต่คนนี้นี่เขาเ็ามีความสุขเขาออกรายการโทรทัศน์เขาก็ หน้าตาเขาก็เป็นปกติจันทร์ใสดีบางทางีเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อกรรมอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองอีกเพราะมันมามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดชีวิตคนแบบนี้เขามีนะก็คือว่าเจอแต่เรื่องไร้ายๆแต่ว่าจิตใจเขาดีบางครั้งคนเราก็ไม่สามารถจะป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้แม้ว่าจะพยายามเต็มที่ แต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ร้ายไปกับเหตุการณ์ได้ยังการรักษาใจนี่สำคัญเหตุการณ์ข้างนอกเหตุการณ์รอบตัวมันจะไม่ปกติยังไงแต่ว่าใจของเราขอให้ผู้จักรักษาให้ปกติเอาไว้และใจเราจะรักษาปกติได้เนี่ยก็ต้องหมั่นดูจิตดูใจบ่อย เพรใจของเรานะีมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอนัตตานะมันเคลื่อนไปสู่ภูมิโน้นภูมินี้อย่างที่พูดไว้อยู่เสมอดันั้นเราก็ต้องดูใจของเรามันฉลาดในการดูใจให้มีสติรู้เวลาใจมันเคลื่อนใจมันกดเพิ่มเพาะถ้าไม่รู้ใจปล่อยให้ใจกดเพิ่อม มันจะไม่กระเพื่อมเฉยๆมันก็จะกลายเป็นจักแรงจากกระเพื่อมน้อยๆก็กลายเป็นกระเพื่อมเยอะๆเกิดเป็นคลื่นภายุกเกิดเป็นคลื่นอารมณ์จากประกายไฟเล็กๆมันก็กลายเป็นเปลวไฟเผาจิตใจจนกระทั่งอยู่ไม่เป็นสุขนอไม่เป็นสุขความตันขึ้นอีกต่างหากให้ ใ, ใจเรานี่สําคัญให้รักษาใจให้ดีใจนี่มันเป็น เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขเป็นตัวการสำคัญว่าจะทำให้เราทุกข์หรือเปล่าเราจะจาตัดว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ได้มากกว่าจิตที่วางไว้ผิดก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราสุขได้มากเท่ากับจิตที่วางไว้ถูกจะวางจิตไว้ถูกหรือเปล่านี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่เราดูใจดนั่งเห็นจิต เห็นอาการของจิตมันขึ้นมันลงก็รู้นี่สติถึงสำคัญและมีปัญญามานุนช่วยก็ทำให้ปล่อยทำให้วางได้ทำให้จิตปล่อยจิตวางได้น่เดียว น, นี้เราไปไปห่วงไปสนใจเรื่องโชคชะตาราสีมากไปห่วงไปสนใจกับเรื่องการมีอิทธิฤทธิ์การเห็นอนาคต เห็นโชคเห็นลาบแต่ไม่สนใจเรื่องที่จะมาดูจิตดูใจของตนเองหรือมาลู้เท่าทันตัวกิเลสนะวันสองวันนี้ก็มีข่าวอยกเหมือนกันเรื่องฤาษีภารตะฤาษีภรตะนี่ก็กำลังดังเพราะว่ามองอนาคตได้เก่งเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นเห็นเลขเห็นเบอร์ไดแมนคนก็แห่กันไปใหญ่ แต่ว่าข่าวว่าฤศีถูกลูกศิษย์หลอกเก่งเรื่องอนาคตดูแม่นดูอนาคตแม่นแต่ว่าดูจิตของลูกศิษย์ไม่เป็นถูกลูกศิษย์หลอกหลอกยังไงลูกศิษย์ก็เขียนเบอร์ใส่ซองปิดซองแล้วไปขายให้แก่คนน้นคนนี้บอกว่าเนี่ยเบอร์ของอาจารย์ เบอร์ของรือีภรตะอาจารย์ผมเองขายไปซองละสองหมื่นสามหมื่นบอกว่าคนซื้อไปก็แทงผิดก็โกรธลือสีว่าให้เบอร์ผิดรือศีก็ไม่รู้ว่าลูกเสียงตัวนี้มันหลอกนีนมันก็น่าคิดนะคนที่มองอนาคตแม่นมองหวยมองเบอร์ได้เก่งนี่แต่ว่าไม่รู้จักแจกแยะว่าสิทธคนไหนเป็นคนดีคนชั่ว อย่างนี้มันก็มีเหมือนกันนะเป็นก็เป็นไปได้นะแล้วมีประโยชน์อะไรนะมองอนาคตแม่นแต่ว่ามองคนไม่เป็นแยิ่งมองใจตัวเองไม่ได้เนี่ยยิ่งยิ่งหนักใหญ่อย่างเทวทัศน์นี่โอ้มีอิทธิฤทธิ์มากมายมีอิทธิตทเยอะแยะเทวทัศนเนี่ยนะพระเทวทัศ์เนี่ยแต่ว่าไม่รู้จักไม่ท้อทันกิเลส ข, ของตัวอยากใหญ่อยากโตอยากจะมาเป็นผู้นํา เป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วกิเลสหรือความชั่วของตัวนั้นก็พาตัวเองมีลงนรกถูกธรณีสู่เพราะว่าไปทําอนันตริยกรรมคือพยายามที่จะสังหารลอบปลงพระชนพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีประโยชน์นะมีอิทธิฤทแต่ว่าไม่รู้เท่าทันกิเลสของตัวจัดการากิเลสของตัวเองไม่ได้การเดินดินบินบนมันเลยไม่มีประโยชน์ อาจารย์สิงห์ทองลอยฝังพระอาจารย์สิงห์ทองนี่ก็เป็นรู้สึกพระอาจารย์มั่นลอยฝังว่ามีเพื่อนของท่านคนหนึ่งนั่งสมาธิได้ได้ดีมากในเวลาท่านนั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นหนึ่งก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าลอยได้ลอยได้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองลอยได้จริงๆหรือเปล่าเพราะตอนนั่ง น, นี่ก็ จิตมันเป็นหนึ่งเหมือนกับสมาธิมีมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าฝันไปหรือเปล่าก็เลยลองคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากว่ารู้สึกรอยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเอากระดาษเนี่ยเศษกระดาษเนี่ยไปเสียบไวท้ที่ที่หลังคาหลังคากุตินะเป็นหญ้าแฝก น, นะแ้มงจากหลังคาเพื่อให้แน่ใจว่า มันจริงหรือฝันไปแล้วพอทำสมาธิอย่างที่ว่าก็รู้สึกมันก็ลอยนะไม่ชัดว่าเป็นฝันหรือเป็นจริงแต่ก็ในความรู้สึกมอนกับฝันฝันนี่ก็ได้เสียบกระดาษไว้ที่หลังคาแล้วก็ลงลงลงมาพอออกจากสมาธิมองไปที่หลังคา ก็เห็นกระดาษจริงๆก็เห็นกระดาษจริงๆไปเสี ย, สยอยู่ที่หลังคาก็แสดงว่าไอ้ที่ลอยนี่ไม่ได้ฝันไปไม่ได้นึกเอาเองไม่ใช่เป็นนิมิตแต่ลอยจริงๆนะลูกศิษย์อาจารย์สิงห์ทองพอได้ฟังอาจารย์สิงห์ทองเราก็โอตกใจดีใจกันใหญ่อยากจะรู้ว่าพระองค์นี้เป็นใครจะได้ไปหาอาจารย์สิงห์ทองพูดจบก็บอกว่า นกเนี่ยมันก็บินได้นอนี่มันก็ดำดินไดนะ้แต่มันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยแั่นบ่นกมันบินได้มันเหาะได้แต่ว่ามันพ้นทุกข์หรือเปล่าน้อนี่มันก็ดำดินนะเก่งกว่าคนอีกมันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยแล้วจะไปสนใจทำไมจะไปสนใจว่าทาสมาธิแล้วลอยได้ หรือว่าทำสมาธิแลหายตัวได้มีประโยชน์อะไรในสายพุทธการก็มีนะมีบางคนนี่เขาเรียกว่าเดินข้ามน้ำได้ปฏิบัติปฏิบัติทมเจริญสมถภาวนาจนกระทั่งมีอิทธิปฏิหารนะเดินข้ามน้ำได้ไปพูดอวดพระพุทธเจ้าว่าฉันเก่งอย่างน้นฉันเก่งอย่างนี้ พระเจ้าบอกว่าโอ้ยข้ามน้ำนี่จริงๆก็แค่ภายเรือข้ามน้ํามันก็ได้แล้วแหะนี่ท่านอุตส่าห์ฝึกมาเป็นสิบสิบปีเพียงแค่จะทําแค่นี้เองหรือการข้ามน้ํามันยากอะไรก็แค่ภายเรือข้ามเท่านั้นแหละอย่างมากก็แค่เสียเงินไม่กี่อัดนะแต่ท่านนี่อุตส่าห์เสียเวลาเป็นสิบปีเพื่อมาทําได้แค่นี้มันเสียเวลาเปล่าทําเรื่องที่มันมีประโยชน์ แล้วก็ทำได้ยากดีกว่าแล้วก็ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้นั่นก็คือการมาฝึกจิตเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยอาศัยสติโดยอาศัยปัญญานี่แหละวิทธิปฏิหารหรือว่าการเห็นโชคชะตาลาสีหรือว่าการเห็นอ น, นาคตเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้คนเราพ้นทุกข์ได้ขอให้เราพิจารณา องค์คุณหรือว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเวลาเราสวดมนต์เช้าเย็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวเรื่องอิทธิปฏิหารเลยมีแต่เรื่องเกี่ยวกับการทําให้คนพ้นทุกข์มีเกี่ยวเรื่องมีแต่เรื่องเกี่ยวกับปัญญาเช่นการรู้โลกจันแจนี่ก็หมายถึงการรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์นะรู้การดับทุกข์รู้วิธีการดับทุกข์เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้ทําความทุกข์ให้หมดไปองค์คุณของพระเจ้านี้มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องการทําให้คนเนี่ยหมดจากความทุกข์ทำให้คนมีปัญญาพ้นทุกข์ได้ไม่มีเรื่องอิทธิปฏิหารเลยองค์คุณของพระธรรมองค์คุณของพระสงฆ์ก็เหมือนกันอา ห, เยยาหเยยุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถ ที่ทําให้คนพ้นทุกข์ได้หรือพระ อ, องค์เนี่ยทำให้ตนเองพ้นทุกข์ได้ก็ทําให้ตนเองเป็นที่กราบไหว้ได้สุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนปฏิบัติธรรมดีแล้วปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องพ้นออกจากทุกข์ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทั้งนั้นที่ทําให้พ้นได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาที่ทําให้พ้นทุกข์การปฏิบัติที่ทําให้พ้นทุกข์ไม่มีเรื่องอิทธิปฏิหาร ที่จะทำให้มีโชคมีลาภที่ทำให้เกิดคุณมั่งมีร่ำรวยอันนั้นมันมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำตอบของชีวิตนะคตอบของชีวิตจริงๆเนี่ยคำตอบสุดท้ายเลยนะก็คือจิตใจของเรานี่แหละว่ามีปัญญามีธรรมะแค่ไหนอย่างอื่นน่นเป็นส่วนประกอบอายุวันนาสุขภาร ะ, ร ะ, ะนี่เป็นส่วนประกอบ การมีทรัพย์การมีสุขภาพดีมันนั่นเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกตถาประโยชน์ปัจจุบันคนเราก็ต้องมีอาศัยประโยชน์ปัจจุบันก่อนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นปกติได้แต่ว่ายังไม่ใช่ส่วนสําคัญที่สุดส่วนสําคัญที่สุดมันอยู่ที่สัมปยิก i t t h ก็คือเรื่องของใจนะสัมปยิก i t t h ก็คือเรื่องศรัทธาเรื่องปัญญา เรื่องของการมีธรรมะที่ทาให้จิตใจเป็นสุขได้แล้วยิ่งเข้าถึงปรมัดคือนิพพานี่เรียกว่าจบได้จบได้จบการศึกษาจบการศึกษาเรียกว่าเป็นอเซขาบุคคลบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วคนที่ไม่ต้องเร่อกหมดกิจหมดภาระแล้วถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ยังต้องทำกันต่อไป คนไทยเราเดี๋ยวนี้เราไปติดอยู่แค่ทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ชั้นต้นคือโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอายุวันนสุขภัพละแค่นั้นต้องไปให้ถึงสองประยิกถะคือความสงบ ค, ความเย็นที่ใจพอมีสติพอมีปัญญาพอรู้จักทำบุญทำกุศลแล้วก็ไปให้ถึงปรมัติมีปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่า ดับทุกได้รู้เท่าทันความจริงของชีวิตว่ามันยึดถือไม่ได้ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือทั้งยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายึดถือด้วยแม้แต่ทรัพสมบัติก็ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายึดถืออย่างที่พูดแล้วว่ามันเหมือนกับเปลวเพลิงมันเหมือนกองไฟมันเหมือนกับหอกแหลมที่ทิ่นแทงมันเหมือนกับเหยื่อที่มีเบ็ดฟังอยู่ข้างในปาที่ฟุบเหยือ่อที่แรกก็ดีใจ พอได้กินเหือแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวก็โดนเบ็ดแทงปากนะอันนี้แหละประโยชน์ชั้นตนเป็นอย่างนี้ทรัพสมบัตนะิอายุวันนะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีเบ็ดฝังในอยู่เรื่องมีความทุกข์แสงอยู่ข้างในความเพลิดเพลินยินดีก็เหมือนกันให้เราก็ต้องเข้าใจนะแล้วก็พยายามที่จะ หันมารักษาใจหันมาปฏิบัติที่จิตที่ใจของเราเริ่มจากการดูใจหมัน่นดูใจหมั่นไวต่อใจที่เปลี่ยนแปลงไปดาวมันจะเคลื่อนลาเคลื่อนย้ายลาสียังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวไปแต่ว่าใจของเราเวลามันเคลื่อนพบเคลื่อนภูมิเวลามันตกไปสูน่นรกเวลามันขึ้นสวรรค์เวลามันกลายเป็นเปรตกลายเป็นเดรัจฉานก็ขอให้รู้ทันแล้วก็ยกจิตขึ้นมาสู่ความปกติ สู่คามปกติให้ได้เรียกว่าเหนือพกเหนือภูมิได้เลยนะศีนก็เล็กศีนเดียวนะก็ขอให้ตั้งใจนะกถทายยกแล้วก็แม่ออกนี่ก็ตั้งใจมากันนะเกือบทุกศีนอันนี้ก่อนนุมโมทนานใครจะมาหรือไม่มาขอให้เรามาก็แล้วกันเพราะว่าใครมาคนนั้นก็ได้นะใครไม่มาคนนั้นก็ไม่ได้ บางทีไปดูว่าโอ้ต้องมีคนมาเยอะๆเราถึงจะมาอันนั้นอย่าไปสนใจให้เราดูให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีถือว่าเป็นการมาทําประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําประโยชน์ท่านด้วยประโยชน์ท่านก็คือมาช่วยรักษาสืบทอดประเพณีเพราะถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีแบบอย่างให้คนอื่นมาทําอันในการมาทํา การมารักษาสี่ก็ถือว่ามาเป็นแบบอย่างนะให้กับลูกหลานให้กับเพื่อนบ้านเือว่าจะได้เขาจะได้มาทําบ้างประเพณีแบบนี้ก็ต้องรักษาเอาไวนะ้เพราะฉะนั้นการที่เรามาก็ถือว่าเป็นการมาทําประโยชน์ท่าน้วยประโยชน์ตนก็ได้อยู่แล้วคือได้บุญได้กุศลได้รักษาจิตรักษาใจนะให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทําให้ใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราได้อันนี้เรียกว่าเป็นการ ช่วยพึ่งตนได้อย่างแท้จริงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพุทธศาสนาอย่างที่พูดเมื่อวานว่าชาวพุทธเราหน้าที่ของเราก็าคือการพึ่งตนให้ได้ถ้าพึ่งตนได้แล้วเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเราพึ่งตนไม่ได้ก็ต้องทุกข์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเล่น ง, งานทิ่นแทงเราเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจ